ก็น้น้อมต่อพระนรัตไตรต่อให้คำขอรบไปยังหลวงพระกลมมาเป็นต า, านก็เกิดเพื่อนจากธรรมิกที่เราทุกทุกรูปจเจริญพรไปยังกุณแม่จีแล้วก็ในอดมทุกทุกท่านนั่งลงนะแล้วก็เหมือนกับทำใจไปด้วย ชาวนี้เล่นมันก็แข็งๆอยู่โปรดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกชาวนี้ชาวนีน้เป็นชาววันจันทร์ที่สองเดือนกันยายนนะรุ่งกศ้ารหาแรม12ค่ำเดือน9้า เดือนแปดสองคนนะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนเก้าเดี๋ยวสักพระหน้าก็เป็นเดือนสิบแล้วนะแล้วก็เห็นสังเกตเราจะอากาศเย็นนิดนึงแล้วก็ยุงมันก็ไม่มีถ้าอากาศร้อนๆอย่างหัวค้าเมื่อวานก็ยุงชุม่มเรามาทำวัาสุดมนกันะมันมีสิ่งหนึ่งอีกสิก็หายไปมันไม่มีสิ่งหนึ่งอีกสิ่งนึงก็มา เช้านี้เป็นวันจันทร์เป็นคิวที่อาตมาพูดมันก็มีข้อตกลงร่วมกันวันจันทร์จันทรงศิลวันการจันวัดใจจันาร์วัดใจขอเปลี่ยนวันศุกร์ให้จัจทร์ใจมาเทศแทนมีเหตุปัจจัยต่างๆ น, น, นานาละเกิดขึ้นมาการเทสก็สองปีที่ผ่านมานี่ละมีการเทสกันพระเรียงกันตามลําดับ ที่สมมุติบัญญัติกันไว้ให้เป็นครูบาอาจารย์ว่างั้นเรามีการแต่งตั้งกันวันไหนใครเทศตกลงร่วมกันก็เหตุปัจจัยทั้งหมดจากสมองมนุษย์จากความคิดเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนวิถีชีวิตที่วัดป่าสุขโ ต, โตด้วยถ้าเป็นที่อื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราจะฟังสื่อจากหลวงพ่อเตียน แล้วก็แต่สดจากหลวงพ่ออมเขียนเป็นหลักยกเว้นแต่ละปีอาจารย์ไบสารท่านจะมาหนึ่งปีเว้นหนึ่งปีแต่มาปีนีนะ้มีการประชุมกันวันหนึ่งมีหลวงพ่ออมเขียน ม, ยมีอมาจารย์ใบสารมีอาตมามีอาจารย์วชัยมีอาจารย์ตุ้มอาจร์นอดประชุมกันอัตมาก็เสนอไปในนั้นว่าอาจารย์ใบสารท่านไม่ก่อยมา เพราะนั้นการประชุมที่นี่ถ้าเราประชุมกันเองไม่มีใครฟังสักคนหรอกมันให้มาบ่อยๆท่านก็ขอโทษครับกล่าวคำขอโทษมาในที่ประชุมขอโทษครับอยู่สองครั้งจําไม่ผิดแล้วท่านก็ปรรษานี้มาที่เมืวานมีคณะมารับไปคืนสู่ภูหลงแม่จีก็บอกว่าท่นานทำปัญหาอยู่ที่นี่เยอะอยู่ที่นู่นน้อย จะมาทักว่าปีนี้อบอุ่นนะผู้หลงก็มีหลวงพ่อมเขียนได้วยมีจมันเมสานด้วยอาจารย์ก็ตอบอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะว่าเออจันเมสานั่นอยู่ที่นี่มากกว่าหลังจากนั้นท่านก็ตลอดตลอดไปที่อื่นเพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังนะคำพูดของครูบาอาจารย์ต่างๆสรุปจะประเด็นอะไรบ้างมาเป็นวันนี้ของเราขณะนี้ของเราใน เ, ร, เรื่องการปฏริบัติธรรมตรงนี้สาระประโยชน์อยู่ตรงไหนหกันเวลาเทศ บางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจนะคำพูดคําเทอือนคาบอกคําสอนบางคนก็บอกว่าพูดออกมาจากใจบางคนก็บอกว่าจํามาบางคนก็บอกของจริงบางคนก็บอกของปลอมเนี่ยเพราะมันอยู่ที่ไหนธรรมะนะทำให้เข้าถึงความรู้สึกตัวมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เรานะธรรมะนะธรรมะคือธรรมชาตินะแต่เวลาเรามาสังเกตปฏิบัติเนะี่ยเห็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม ทำไหนอะทิมเป็นความเจริญความสุขทำไหนเป็นความไม่เจริญเป็นความเสื่อมถ้าเราคิดไม่ดีเราก็ทุกข์เองอะเราพูดไม่ดีเราก็ทุกข์เองเราทําไม่ดีเราก็ทุกข์เองผลปรากฏกับเรามันยังทำแล้วเป็นปรากฏกับใครหรอกมันปรากฏกับเรานั่นแหละเราจะปรากฏตอนไหนก็ลองไปปฏิบัติดูมันจะมีความคิดปรากฏขึ้นมามากมายเหลือเกินโศกก็มีทุกข์ก็มีบุญก็มีบาปก็มีอุปสนก็มีอัุสนก็มี ความคิดทั้งนั้นนะเราก็จึงเข้าถึงสภาวะธรรมชาติเดิมๆไม่สุขไม่ทุกข์มันมีอยู่ของพ่อเทียนเรียกว่าความเป็นปกติพระจารนี้มีผ้าแปลกๆติดอยู่หนะลวงพเทียนเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยคืออยากจะสนับส น, นุนนั่นะคําสอนหลวงพ่อเทียนไปนที่นี่ด้วยนะตอนหลังเห็นว่าหลวงพ่อเทียนจะมาโชว์อย่างเดียวมันก็เอารูปพระเจ้ามาติดพุดทธรูปเป็นที่บ้านพุทธมนทา ทนั่นมันเป็นผ้าปรตรูปติดที่ฝาผนังแลครับอดูสงบสงบดีนะเป็นรูปปั้นที่ดูสงบก็เลยมาติดเอาไว้เป็นดีมิตเฉ ย, ยๆเวลาปฏิบัติทมกันมีลมพลองอเขียนมาติดอาจารย์เผยสารมาติดยกท่านไว้นะท่านพูดอะไรเราจะเงี้ยโอฟังพระเจ้าพูดอะไรในนั่นก็ว่าจงทําความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมเถิดในความรู้สึกของอาตมานในหัวใจอาตมามีความรู้สึกว่า คำสอนขององค์สมเด็จสมานเจ้าเนะี่ยเวลาท่านใกล้ดับขันพระนี้ผานนะ่ยถ้าเราเชื่อว่าท่านมีจริงนะนั่นคือคำสอนที่สุดยอดทำที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทนะความเชื่อส่วนตัวสอนมาสี่ห้าปีคนใกล้ตายไม่โกลัหกจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนั้นคือการฝึกสติปัฏฐานสี่นั่นเองมีทําให้เกิดความไม่ประมาทกันนี้ฝึกสถสติปัฏฐานสี่ทํำยังไงสถานที่นี้เราฝึกกันแบบแนวหลวมอุ่เทียน ชัดเจนและแนวหลวงปู่เตียนเพราะว่าหลวงพ่อเขียนเรือว่าหลวงพ่อบุญธรร ท, ที่สร้างวันะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เตียนเจตนารวมท่านต้องการเผยแผ่คําสอนที่เรียกว่าการฝึกสติสุดสำเร็จอดใจเดียวสุขารู้แจ้งแล้ว ล, ละสั้นๆคนทุกข์มากก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์อย่างนี้นคนที่ไม่มีปัญญามาก็เกิดปัญญาแตกฉานขึ้นมาคนที่มีกระใจเรื่องธรรมะก็เข้าใจธรรมะธรรมชาติขึ้นมาธรรมะคืออะไรท่า น, นาก็ชี้ว่าเนี่ยให้มารู้การเคลื่อนไหวของกายนะ การเคลื่อนไหวของกายนะผมเลยทำมาที่นี่ในเหตุผลนี้แล้นะไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยเห็นว่าที่นันมีคําสอนที่มันตรงๆลัดจันทแล้วเราก็ใช้การกระทําลงไปเพราะที่ผ่านมาการศึกษาเนะี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดนะมันเป็นการศึกษาที่เรียนมาเนะี่ยคือภาคปฏิบัติการอะไรไม่ใช่ภาคทฤษฎีไม่ใช่ภาควิชาการไม่ใช่ภาคที่คิดเอาด้นเดาเอาคํานวณการการะเนี้ไม่ใช่แต่ว่า เราผ่านการฝึกหัดได้ภาคปฏิบัติการมาตลอดจะทําอะไรก็ทําลงมือกระทําลงไปงันจะมีผลจากการกระทําของเราเองทั้งหมดนั่นแหะไม่หวังน้ําบ่อหน้าไม่คู้นี่ยืมสินอะไรมันทังนั้นนะชาติเนี่ยไม่เคยเป็นหนี้ใครนีก็ เ, เห็นว่าเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันสามารถที่เราเป็นอิสระได้เพราะหนี้ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อของแม่เราไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนมูลค่าตรงนี้มันหาไม่ได้เบื่ทดแทนบุงคุณดั่นเนี่ย พอชีวิตจะหมดไปใกล้าตายอีกแล้วอีชานหนึ่งเนะี่ยไอบวชนี่ยังไม่เคยบวชกับเขาเลยก็เลยดํารีว่าเออบวชแล้วมาทําอะไรก็จึงพุ่งตรงมาที่นี่แหละบัดป่าสุโตโตนึงเดียวเลยที่อื่นหลายๆที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเห็นว่าก็คนละวิธีการรูปแบบซึ่งก็ดีอยู่แต่ว่าสูตรสาเร็จอีกใจเดียวแล้วละสั้นๆมีอยู่ที่นี่คําพูดแบบท้าทายหลวงพ่อพเขียนท่านก็ชี้ถึงสภาว่าผู้ดู ดูแลเห็นเห็นแล้วมันเขไปเป็นกับอะไรกับอะไรกับอะไรเนี่ยตัวนี้มันสะดุดหูนะฟังแล้วมันเป็นไปได้ปกติเราดูเป็นสุขดูเป็นทุกข์ดูเป็นดีดูเป็นชั่วเทํางานตลอดนะดีมันก็เออได้เงินได้ทองได้กำไรไม่ดีก็ขาดทุนนะแล้วก็คล้ายๆกับมันถึงทางตันได้ชีวิตของเราเี้ย บวกเรารู้ข้อมูลต่างๆมากมายอย่างเช่นเคยรู้เรื่องพงศาวดารจีนอย่างเงี้ยเรารู้จักมาเราอ่านมาเราได้ยินได้ฟังมาก็ว่ากันว่าโค้งจื้อเนี่ยนะเป็นปูชนะบุคคลที่คนเขาสนใจใส่ใจแล้วก็ให้เกียรติคําพูดของท่านอย่างสูงสุดการให้เกียรติคําพูดแล้วก็น้อมมาใจตัวเนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้เกิดลักษณะของ ความจเจริญนะถ้ารู้ถูกถูกต้องและเดินตามผู้รู้ที่ทันชี้นําไปสู่ความไม่เสื่อมครูบาอาจารย์ปูจนียบุคคลกัลยาณมิตรต่างๆชื่อเอียนหุยนะเป็นลูกศิษย์ที่เาคารพครูบาอาจารย์มากที่สุดแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่ต้องพูดผิดท่านก็ฟังนะพูดผิดก็ฟังชื่อเอียนหุยนะทีนี้ของเจือเนี่ย มีครั้งหนึ่งตัดสินให้ผิดเป็นถูกให้ถูกเป็นผิดทำมไมถึงตัดสินอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของคุณธรรมเหยืยนหวยเห็นเขาทะเลาะกันระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าพ่อค้าก็บอกว่าแปดสามยี่สิบสามแปดูณสามได้ยี่สิบสามสินค้าแดชิ้นราคาสามหยวน เมื่อซื้อแล้วมันก็ต้องได้23เอา23เหรียญไม่ให้เราลูกค้าก็บอก83 24ลูกค้ารู้แล้วรู้ถูก83 24ตามส ม, มุดบัญญัติเพราะนั้นทันเอาอไป24เหรียญเอ๊ะก็เราจะขาย83 23ก็าเถียงกันเย็ยนหุยได้ยินตัวเองมีความรู้มากก็บอกว่า83 24ลูกค้าคนนี้ก็พูดถูกแล้ว83 24พอค้าก็ ถามว่าอา้าวท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเป็นเด็กแล้วมาพูดอะไรเนี่ยไม่เชื่อเราเชื่อแต่ของของชื้อถ้าจะตัดสินให้ของชื้อมาตัดสินท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็ น, นปูญญิยะบุคคลเราศรัทธาท่านมาอา้าวเขียนหุยก็ถามว่าถ้าท่านผิดละ่ะท่านจะรับผิดชอบอยังไงเอาหัวข้าออกจากบาเลย ข่ายอมตายแล้วก็ถามกลับว่าถ้าเย็นหุยผิดละ่ะจะว่ายัางไงเย็นหุยว่าข้าขอถอดหมวกทิง้งก็หมายถึงว่าลาออกจากงานไปเลย้ะเป็นการบวชกันไม่ต้องบวชต่อไปอตกลงทั้งนั้นเราไปหาขงเจอกันคงเจาอตัดสินมาว่าพ่อข้าถูกแปดณสามได้ยี่สิบสามท่านนะผิด เ ย, ย็นหวยอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิเอกนะเย็ น, น, เยนหุยก็ยอมที่จะถอดหมวกออกลาออกจากตําแหน่งแล้เดินทางกลับบ้านก่อนเดินทางกลับบ้านก็ไปกราบคงจื้อไปกราบท่านขอลากลับบ้านโดยมีความโกรธ ด, ด้วยโกรธอาจารย์อาจารย์ก็เห็นหน้าการแล้วก็บอกท่านว่าระหว่างเดินกลับบ้านนะอย่าหลบเข้าไปในต้นไม้นะ ให้เดินทางถึงจดหมายไปทางให้เร็วที่สุดอย่าหลบเข้าไปในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เด็ดขาดเย็นหุยก็รับทราบแล้วว่าอืมทําไมทำแบบนี้วะก็คิดอยู่ในใจด้วยความโกรธ ด, ด้วยความโมโหเสร็จแล้วก็ถ้ากลับไปถึงบ้านถ้าอะไรไม่ชัดเจนเห็นยังไม่ชัดเจนได้ยินยังไม่ชัดเจนสัมผัสยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งฆ่าคน พระว่าเอียนหุยนี่เป็นนักดาบพร้อมที่จะฆ่าคนด้วยโทษสาตลอดเวลาทีนี้เอียนหุยก็ลากลับบ้านเสร็จระหว่างนั้นฝนก็ตั้งเขามาตกลงแหเอียนหุยก็หลบเข้าไปในต้นไม้นึกคําของอาจารย์ได้ก็ออกมาเลยอาจารย์สั่งห้ามมาไว้เดินมาสักระยะพอพ้นต้นไม้ไม่ไกลนักฟ้าผ่าเปรี่ยงลงไปทันที ก็ขนลุกสู้ทั้งตัวแล้วเอา้าในตาอยู่เมื่อกี้เราก็ตายไปแล้วเนี่ยโอ้คำของอาจารย์เป็นจริงแท้แต่ว่า8 3 2สามยี่ายังไม่ถูกก็เดินทางกลับมาอีกถึงบ้านบ้านก็ปิดประตูเงียบนะนะดึกดื่มค่ำคืนเจอแล้วก็เรียกภรรยาปกติพอมาถึงปั๊บเรียกเนี่ยจะเปิดรับทันทีแต่วันนี้ไม่ยอมเปิดรับ แล้วก็สังเกตลองทามีอยู่สองคู่ก็เลยผนะลักประตนะูอย่างแรงจนทางไม้ขัดดานนะ่ะหลุดออกจากกันแล้วก็เข้าไปในห้องเข้านะไปยอมจุดไฟจุดนะตะเกียงเจแล้วใจมือแตะแตะคลำดูนะอา้าวมีคนสองคนอย่างเงี้ยนะก็จับมือหยิบตาบกันึกได้ว่าถ้ายังเห็นไม่ชัดเจนนะอย่าเพิ่งค่านะอาจารย์สั่งเอาไว้ ก็ลอยให้ลุงเช้าฟ้าสสงเสร็จก็เห็นอ๋อภรรยานอนหลับอย่างปลอดภัยอย่างอบอุ่นเพราะว่ามีน้องสาวมานอนเป็นเพื่อนอีกคนนึงก็คือน้องสาวอาจารย์พูดจริงแท้ๆเอแต่ว่าแปดสามยี่สิบสามอาจารย์พูดอย่างนั้นทําไมเคยสอนเราแปดสามย่ิบสี่ยานี้ทำไมถึงแปดสามยีสิบสามก็อยู่บ้านศักระยะหนึ่งหลังจากหายโกรธอาจารย์ ก็เดินกลับไปหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งองจื้อนะพอไปเจอก็กราบองจื้อนะด้วยความเคารพศรัทธาเริ่มใส่แต่แล้วคงจื้อก็ถามเย็นหุยว่าท่านกลับมาแล้วหรืออืมดูหน้าตาท่านผ่อนคลายสบาย อ, อกสบายใจขึ้นนะเย็นหุยก็บอกอาจารย์ว่า อาจารย์พูดจริงแท้ๆนะเราก็จึงมีชีวิตรอบมากลับมาหาอาจารย์ได้อย่างปลอดภัยนะแต่ว่าสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงเคยสอนแปดสามยี่สแต่ว่าวันที่ตัดสินหนึ่งแปดสามสิบสามอาจารย์ท่านก็ตอบว่าท่านลองคิดดูนะเธอเองเนะี่ยกลับไปด้วยโมโหอาจารย์ เธอไม่ได้เคารพอาจารย์กันนั้นแล้วเธอไปได้วยความโกรธเธอขาดสติเธอขาดปัญญาฝนตกตั้งเข้ามาเธอก็ไม่รู้แต่ขณะที่เนี้เราก็รู้แล้วก่อนเธอกลับไปเนี้ยฝนมันตกแล้วก็ฟ้ากระนองแล้วก็ฟ้ามันผ่าลงมาเนี้ยมันจะมาลงตรงต้นไม้ใหญ่ถ้าท่านเข้าไปหลบท่านก็ตายเราก็เตือนสติท่านไว้ท่านกลับด้วยโทรศัพท์ถึงบ้านท่านมีดาบ ท่านก็ไม่ได้ไมมีปัญญานะใครครวญ บ, บางทีท่านอาจจะทะเลาะบางทีท่านอาจจะชักดาบมาค่าคนตายได้เราก็เตือนสติท่านไว้8องนะสามทำไมได้23ท่านลองดูถ้าพอค้าแพ้เกิดอะไรขึ้นข็ยอมเสียหัวตัดคอหลุดออกจากบ่าหนึ่งชีวิตส่วนท่านละ่ะ ท่านก็แค่ถอดหมวกเท่า น, นั้นเองท่านไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจะต้องรู้จักเสียสละะคุณธรรมเนี่ยถ้าคนผิดถึงแก่ชีวิตอย่างนี้ท่านก็ต้องรักษาชีวิตเขาชีวิตมีค่าต้นลายปคดมันมีต้นคดปลายตรงมันมีหรือตรงทั้งต้นตรงทั้งปลายมันมีอาจารย์ของท่านก็แยบคายเป็นต้น เนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วมันก็ดีนะคุณธรรมพวกเนี้ทําให้เรารู้จักเสียสละรู้จักผิดถูกไม่เป็นไรก็คืออยู่เนือสมมติอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จํามาแต่อะไรละที่เหนือเหตุเหนือผลเหนือถูกเหนือผิดเหนืออวศันเหนือบุญเหนือบาปเหนือความคิดการปรุงการแต่งการปรุงการแต่งริมเป็นความบริสุทธิ์มันมีอยู่ไม่นยังไม่ปรุงมันคือความคิดมันคิดของมันนะโดยที่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดมันก็มีมันอยู่ เพราะนั้นมันจึงมีคุณธรรมเจตธรรมและก็สิธรรมมันมีปรมาถสภาวะก็คือการเห็นความจริงจริงๆอย่างที่มันเป็นนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกไม่ใช่ว่าผิดมันมีอยู่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นระเย็นนั้นเองนั่นตัวนี้มันจะเกิดขึ้นนะเป็นปัญญาภายในใจของใครของเราไม่ได้เกี่ยวจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดคือใจที่ไม่ทุกข์นะเขาว่าคือเขาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของ ใจของเราที่เรารักษาใจของเราได้เพราะการมาที่วัดป่าสุตวเรามาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันรักษาเราความรู้สึกตัวที่ฐานกายความรู้สึกตัวที่น่ยฐานเวทนาความรู้สึกตัวที่จิตขณะที่มันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกตัวที่เวลามีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี่ยมันแสดงออกแต่ละขณะคือความรู้ band. สึกตัวนั่นแหละมันเกิดที่ร่างกายของเราร่างกายของเราคือตัวชีวิต เพรา ะ, ะนั้นดูกายยังเห็นจิตนะดูกายยังเห็นเวทนาดูกายยังเห็นความคิดมันอยู่ที่กายกายสมองกายเนื้อกายระบบกายประสาทการเคลื่อนกันไหวของกายะระบบเนื้อกระดูกหนังเอน็นพวกนี้ยมันเคลื่อนตัวรู้สึกได้ของหยาบสุดความคิดมันใช้สมองอยู่ใช้ทวารอยู่เงนี้ยเรารู้สึกด้วยรรว่าไหวรู้สึกตัวได้ถ้าเราฝึกเราจะได้เห็นนะและชั่วยเราก็ได้เห็นทําดีเราก็ได้เห็นจําระจิตเราก็ได้เห็น มันเป็นความรู้สึกตัวแล้วจะว่าอย่างไงเดินจงกรมเนี่ยเดินรู้สึกบางทีมันมีสัมผัสรู้สึกคิดรู้สึกแยกออกหรือเปล่าพอเราเดินเราสัมผัสรู้สึกโอ้โหมันโล่งเลยนะมันหลุดออกมาเลยจากความคิดมันรู้สึกเลยฮึมมันไม่พิติมันก็ปิตินะมันไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่อยากเห็นก็เห็นนะมันสัมผัสมันอ๋อมันหลุดอย่างนี้นี่เมันผ่อนคลายสบายร่างกายคืนสู่ปกติจิตก็คืนสู่ปกติเมื่อก่อนเคยยึด เวลาปวดก็ยึดความปวดเวลาเมื่อยยึดความเมื่อยเวลาง่วงยึดความง่วงเวลาคิดเวลาปรุงก็ยึดเข้าไปอดีตอนาคตเดี๋ยวพอเวลาบวชใหม่ๆนะบอกเลยยังไงก็มาทุกคนนั่นแหละถ้าปฏิบัติมันคิดถึงอดีตใครเคยทากับเราเราเคยทากับใครมันคิดแน่นอนอาฆ า, าตพยาบาทเจ้ากรรมในเวรนึงเนี่ยมาแน่อคติหรือว่าเป็นเรื่องของปริพเทศความกางังวลยังไงก็มาปฏิฆะยังไงก็มาความงดหิดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจ เคมีปัญหาต่างๆแก้ไม่ตกนอนมาทันทีมันมาให้เรารู้แล้วรู้อีกอยู่นะจนกระทั่งรุดออกอย่างมันเมื่อเรามาสัมผัสรู้ที่ความรู้สึกตัวความคิดมันก็ออกจางคลายลดลงหรือกามันหายวับไปสติมันคล้ายๆกับรู้เท่ารู้ทันนะแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ๆหายวับไปทันทีทันใดไม่ใช่นะมันจะค่อยๆคลายจางตัวนั้นเราจะได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนัตตา ส่วนร่างกายของเราเนี่ยมันช้านิดหนึง่งป่าปวดปัสสาวะจะได้เข้าห้องน้ําป่าหิวข้าจะได้รับประทานอาหารจะได้ฉันจะได้กบจะได้เคี่ยวกันมันก็ช้าใช้เวลาแต่ว่าจิตใจของเรามันทันทีทันใดเลยเราจะเห็นกับบุญการของเราเราก็ทึงอะไโอ้โหกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานมันใช้ได้จริงๆอย่างนี้นะหลังจากที่เราฝึกสติจเจริญสติสติมจเจริญขึ้นมามันก็ใช้ได้จริงๆะ เราก็เลยได้เห็นโอ้มันเป็นสภาพธรรมจากหยาบแล้วก็ลุ่มลึกลงไปละเอียดพันธุ์ลึกซึ้งจะงนั่งเห็นนามธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นอารมณ์ธรรมต่างๆตรงนีมนฟังเอาไม่ได้หรอกมันต้องไปทําเอาแล้วก็ตอบเอาเองด้วยคนอื่นตอบมันก็ไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราทําแล้วมันมีอาการปรากฏขึ้นมาเวลาเราได้ยินได้ฟังคําพูดนั้นอ๋อ มันเป็นอย่างนั้นหรืออย่างเงี้ยครูอาจารย์ท่านพูดเราเงี่ยหูฟังดันดีแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนั้นหรือนะแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติไม่ได้มีคําพูดไม่นิมภาษามนุษย์อะไรใส่ลงไปมันเป็นอาการเนะมันเป็นกิริยามันเป็นอาการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกมีใจคำพูดอย่างเงี้ยมันเป็นอาการการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวลงไปจริงๆหายใจสัมผัสรู้สึกจริงๆอย่างเงี้ยนะเห็นใจนึกคิดนะ เวลามันนึกมันคิดมันเป็นปฎิยาอาการในจิตใจของเรามันรู้จักจิตของเราเวลาปกติเวลาผิดปกติสังเกตเธอเวลาจะทําอะไรก็ตามมันจะมีอาการความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนอยังคิดพูดตอนเนี้ความคิดจะเกิดขึ้นมาก่อนมันจะมีอาการปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นภาษารเรียกว่าสมมติบัญญัติเมื่อเรารู้เท่ารู้ท่นเราก็เห็นว่าเออลางๆนี่มันเป็นทั้งกุศลกับทั้งอกุศลนะ เป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์คิดถูกก็สุขคิดไม่ถูกก็ทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบางทีทําดีมันก็ทุกข์ก่อนแล้วมันเคยสุขทีหลังะแต่ทําทไม่ดีบางทีมันคิดไม่ดีมันสุขก่อนแล้วมันก็ทุกข์ทีหลังเป็นปัญหาตามมามันก็จึงเป็นพบเป็นภูมินั่นเองภายในจิตใจของเราอยากรู้เรื่องสังสารวัฏก็มาดูที่ความคิดเนี่แหละอยากรู้เรื่องภัยวัฏสงสารก็มาดูที่ความคิดนี่แหละรเร า, า, สส า, ร า, าะจะได้เห็นส่วร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายนะขณะเราปฏิบัติเราจะได้เห็นอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นลักษณะของนะตัวปฏิบัติธรรมนี่ต้องลงมือกระทําลงไปจริงๆเรียกว่ากรรมมัฐานนะกรรมมฐานอย่างวันนี้ใจอาตมาบอกไม่ชอบนะเวลาเห็นหมาขึ้นม้าบอกใจไม่ชอบมนะับอกว่าหมานี่มันเป็นสัตวนะ์เดรจานนะแล้วก็อย่างระแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะให้มันอยู่ข้างล่างข้างนอกหรือว่ากินข้าวนอกรัว้วอันนี้ พอใจมากนะรากินอยู่ข้างนอกนะอยู่กับพวกพวกับพ้องพอใจมากสัตเดชานก็สัตว์เดชานเราก็ไม่พอใจได้ให้อาสาอาหารอยู่ที่นะ่บอกเลยไม่พอใจไม่ชอบใจมันบอกอยู่แต่ว่าไม่ว่าอะไรอยากให้ก็ให้แต่ใจไม่ชอบเมืนะ่อกี้มันไม่ชอบมันไม่ได้เดินมาทำวัดนะมันเดินไปไล่หมาก่อนใจ อ, ออกไปข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกไม่ไปไล่หรอกอยู่ไหนก็วิวฮนะถ้าอยากขึ้นมา ก็ไปเอาไอ้แผ่นในหลังคานะี่ยไปเดินหางอกกกกใจมันก็สั่งไนะกระใจมันไม่ชอบอนะ่ะเราเอามากันบันไดเมาืชา้าก็ยังคิดว่าเออจะหยิบหนังกระติกมาได้ซ้ามนะัมีหนังกระติกอยู่ขู่กะว่าจะเก็บลูปมาเดืออะไรมันวางแผนขนาดนั้นนะจิตนะแต่ามานั่งนะจะยิงอะไรตรงเนี้มันว่างั้นเลยน ะ, ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนลหลายคนก็จะตกใจ เดวหลายคนคนลักหมาก็จะทุกข์ใจคิดอย่างนี้ด้วยมันก็ใครโกลนว่อนอยู่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาป้องกันถ้ามันขึ้นบันไดนี้เดี๋ยวไปมากั้นบันไดนี้เองเนี่ยอันนี้ก็คือคุวรทำจริยธรรมนั่นแหละมันรู้จักแยกแยะจาระเบียร์ของมันแต่ถ้าที่ทประชุมชนเห็นว่าเออควรเอามาเงี้ยก็อเอามาก็ออามาก็ว่าแล้วะก็ชุมชนก็จามาใจมันก็วางแล้ว เขาทำได้ได้หมู่มากลากไปเี้ยนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นไปกระทําจะเห็นถูกเห็นผิดเห็นชอบเห็นไม่ชอบเห็นพอใจเห็นไม่พอใจแต่ว่ามันเห็นในตัวเราน่ะส่วนคนอื่นเรื่องคนอื่นใจใครก็ใจใครก็รักษาเนาเองแล้วกันด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยการตั้งสติให้ดีนสติมันมีอยู่ทุกคนนั่นะแต่ว่ามันมีมากมีน้อยอย่างงี้ยนะมีมากก็เห็นมากมีน้อยก็เห็นน้อยะเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาอยู่ร่วมกันในลักะการฝึกตนสอนตนะ แล้ก็คล้ายๆกับเป็นสถานที่เดี๋ยวอีกสองวันนี่ก็มาแล้วร้อยหกสิบค น, นก็ไม่คิดว่าจะรับห่ะนร้อยหกสิบคนเนีเป็นอของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากเกษตรศาสตร์แล้วมาที่นี่แค่สามวันสามวันมาวันกับวันเหลือวันเดียวอ่ะมาก็ไข้ครวญดูว่าจะรับดีไม่รับดีรับดีไม่รับดีปกติจะรับเจวันเอาดีไม่เอาดีใข้ครวญ อืมอตัดสินใจเอากลับมาย้อนดูตัวเองไอ้เราก็ได้โอกาสแต่เป็นนักศึกษานั่นเองตอนอายุผผกับนักศึกษาที่กําลังจะมาเนะี่ยเราได้โอกาสว่าเราไปรู้จักเรื่องการฝึกสติแวบเดียวเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นวันนั้นเป็นชั่วโมงแวะไปนั่งฟังอยู่ประมาณสักสี่สิบห้านาทีไม่ถึงชั่วโมงดีว่าต้องไปเรียนต่อวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันหยุด ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการเสร็จแล้วก็ไปเรียนไอวีเอ็มเรียนอิเล็กโทนก็ถือหนังสือไปแต่งตัวไปรอรถเม์แต่ว่าขณะที่เดินไปจะถึงป้ายรถเม์เดินผ่านตึกสามัญก็เจอกท่านอาจารย์สมใจท่านก็นแนะว่าหลวงพ่ อ, พอเขียนมาเทศให้ไปร่วมกันฟังเทศฟังธรรมหน่อย มันไม่มีคนไปฟังสักกี่คนหรอกไอ้เราก็ไปแบบขัดไม่ได้เสียไม่ได้ระหว่างที่จะไปขึ้นรถก็แวะไปฟังธรรมฟังมารู้เรื่องเลยให้รู้สึกตัวเพราะว่าพูดดูดูเลยเห็นเลยเห็นไม่กลับไปเป็นไม่ ร, มรู้ไม่รู้เรื่องท่านพูดถึงเนี่ยความคิดนะเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยท่านทำอย่างนี้นะเอาเนื้มาแตะรู้สึกตัวสัมผัสรู้สัมผัรสผรู้นะ เวลามีความคิดเกิดขึ้นมานะให้กลับมารู้สึกตัวท่านก็ไม่ได้บอกให้ไปดูความคิดนะแต่บอกให้ดูความรู้สึกตัวไอ้เราก็อะไรกันเนี่ยมันนั่งเงีบๆๆอยู่ให้นะรู้เรื่องเลยให้ทำํำเลยฟังเทศฟังธรรมให้มาทําอะไรกัน้แต่ก็สะดุดหูอยู่คําว่าเนี่ยคือวิธีการเจริญสติสะดุดหูอยู่นะั้นเนี่ยคือการเจริญสติมันก็จําประโยคอยู่ไม่กี่ประโยชนะ์เนี่ยทําอย่างเงี้ยรู้สึกตัวนมันก็เห็นด้วยตาก็ลองทํำดู พอเราทําเราก็รู้สึกอมมันก็แปลกๆรู้สึกแปลกๆจิตของเราที่มันเคยไปหน้าไปหลังนะพอมันรู้สึกตัวอยู่เป็นทีมเป็นสมาธิมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันรู้สึกว่าออเนี่ยนะสิ่งเนี้มันก็รู้สึกว่าให้ความสุขเราได้จิตก็สัมผัสอย่างนั้นหลืงไปวัดไปวาหาพระบอกเลยไม่ชอบใจไม่เคยชอบเลยนะหาวัดหาวาหาพระเนะี่ยหญิ่งในศักดศีประสมควรไปวัดไปกินข้าววัดเนี่ยของเรือเดินเหมือนั้นะ ใจเป็นแคขนาดนั้นไงแท้ายสุดเกลียดสิ่งไหนมันก็ได้สิ่งนั้ น, นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็ได้มีอการฝึกหัดหลายครั้งขณะเป็นญาติเป็นโยมท่านอาจารย์สมใจเนี่ยแหล ะ, ะอัตวาถึงให้ความเคารพท่า น, นท่านก็ไปย้ำถึงคนสองคนไปนะฝึกสติไม่มีคนสักกี่คนคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนเล็กๆกลุ่มเล็กๆแต่เรื่องคุณภาพ เราไปใจ่ใจสนใจว่าฝึกสติแล้วเขาทำยังไงพอมีการจัดคอร์สปฏิบัติจะ ก, กี่วันก็นเถอ ะ, ะวัดผาลาดใช้เป็นเรียกว่าฝึกหัดกันเป็นประจำนี่นะก็ไม่ได้มีอะไระไปนอนแกล้เขางงด้วยด้วยฟางแล้วก็ไม่ไผ่เป็นแกลเ้ลเป็นฟากไว้นอนเลี้ยงเล ก, ก, ก, ก, กันก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้กลางมง้งเลยนะก็มาถึงว่าโฮมบคุมก็อยู่กันได้ใจมันจะไปนะ ลำบากขนาดไหนมันก็ไปฝึกไปหัดเนี่ยบางทีไปนอนถ้าไปนอนอะไรนอนป่านอนดงกันก็นอนกันธรรมดาธรรมดานะไม่ได้สนใจอะไรศาสตาลาสิ่งเพราะใจมันมีความรู้สึกมันสนใจว่าการฝึกสติมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังน้อมมาก็เกิดการกระทําไม่ได้สนใจเรื่องไรสนใจเรื่องการเดินจงกรมมันคืออะไรกันแน่นะไอ้ทั้งหมดของไตเป็นดงเราสนใจแล้วก็สงสัยอย่างมากมันคืออะไรกันแน่เนะ อยงเช่นว่าเคยอ่านพระไตรปิฎกนีสนใจแต่เป็นญาติโยมแล้วอ่า น, เ, นเขาบอกว่าครั้งหนึ่งมีอยู่ที่เมืองอออปาวาเมืองปาวาคือเมืองที่ไท้ายสุดองค์สมเด็จสามัคคเจ้า จ, าเจาะเสด็จ ด, ดับกันบ ร, ริิพาลก็ไปที่เมืองปาวาเนี่แหละเจแล้วที่นั้นก็มีพระจุนทะพระจุนทะเป็นพระที่บวชท้ายสุดของเจ้านะ นะอันนั้นเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าจุนทะรูปนี้เนี่เป็นรูปที่บวชก่อนแล้วก็บรรลุธรรมก่อนในจุนทะคนที่สองเนี่ยนะทีนี้ในจุนทะไปที่เมืองปาวาไปเล่าเรื่องราวให้พระเจ้าฟังว่านะที่นิครนนะจีปเปลือยเจตบุตรนะี่ยรัตีนั้นเสื่อมไปแล้ว โดยเหตุที่ว่าลูกศิษย์ลูกหานะทะเลาะกันหลังจากที่นิคุเสร็บุตรตายไปเนี่ยปรารกุตาลที่นี้ต้องสูญหายไปเลยเพราะว่าแย่งกันเป็นใหญ่องค์นะม ส, สมเด็จสมานเจ้าก็เลยบอกว่าจนแท้เหตุที่เขาลมหายตายสูญไปเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาตนะิทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องของ ความดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ของเราเนี่ยต่อยสึกทอดต่อไปได้ก็คือ1นึอย่ามีความโกรธต่อกันนะสองคนเนี่ยไทยคนโกรธอีคนจะต้องเย็นนิ่งมีสติอย่าไปเอิศผิดอาถูกเอาอเหตุผลกันสองอย่าเป็นคนที่ตันหนีถ้ามีความโกรธแล้วมีความตันหนีก็นั้นหมายถึงผลประโยชน์นั่นเอง ที่ไหนมีคนประโยชน์ที่นั่นมีการขัดแย้งกันตลอดอย่าตอนนีนะอย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าโอ้อวดนะอย่าอยากใหญ่เพราะไปที่ไหนถ้าโอ้อวดอยากใหญ่ก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากใหญ่คนที่ก็อยากใหญ่ด้วยกัน ก, ก็จัดการนะหาทางที่จะคล้ายๆกับสกัดดาวรุ่งนะไม่ให้เราเป็นใหญ่อย่างนี้นะต่อมาก็คือนะอย่าเป็นคนที่มายาสาไถนะมีมายา พยายามพูดอะไรแล้วก็บิดไปบิดมาไม่ตรงประเด็นตัวนี้นะมันเป็นเรื่องของถ้ามีมายาปั๊บความจริงก็ไม่ปรากฏนะนะอย่าเป็นคนที่เห็นผิดเป็นชอบอย่าเป็นคนที่ปรารถนาลามกตัวนี้นะมันจึงเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วจะอยู่ยังไงต้องชี้ทางออกไว้ด้วยนะหนึงให้คิดด้วยเมตตาให้พูดด้วยเมตตาให้ทํำด้วยเมตตาเหมือมีลาบสการะมาแบ่งให้ทั่วถึงนะแล้วก็ถ้าหากว่านะ อยู่ในชุมชนไหนก็ตามขพยามเงี่ยหูฟังกันผิดก็รับฟังด้วยโถ่ก็รับฟังด้วยแล้วก็รักษาใจให้ดีๆก็คือให้มีสติปัฏฐานสี่กันไว้นะดูกายไวนาดูจิตดูธรรมดูให้ออกก็คือภาวะผูด้ดูที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดนั่นเองก็คือการที่เราเห็นเห็นอะไรล่ะก็โลกธรรมโลกธาตุนี่แหละเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไร ตอนนั้นนะท่านบอกหยุดการแสวหงหาเป็นที่สุดของความทุกขนะ์ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งรูปแบบปฏิบัติทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นะเรื่องของชีวิตที่มันหยุดลงมันอิสระภาพเกิดขึ้นมาก็อยู่โดยเหตุโดยปัจจั ย, ย, จยต่างๆอยู่ให้เขาเรียงง่ายต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงนะใช้สิ่งที่ยินได้ฟังมาโดยเพราะเรื่องความรู้สึกตัวเนยการฝึกสตินะได้ทําในรูปแบบนอกรูปแบบหรือว่า ยังไงก็ตามที่ทําแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราต่อไปเดี๋ยวเพราะนะท้ายสุดก็คือหยุดการเสร้งหาอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดจริงๆอยู่ไปวันวันหนึ่งแบบอิสระภาพเนี้ยนะเมื่อวันก็สอบถามว่าหลวงพ่อเขียนท่านอยู่ที่ไหนเนะี่ตอนนี้เพราะว่าท่านกำบรรษาอยู่ที่ภูหลงใช่ไหมก็นี้มาชี้ท่านมาก็เลยสอบถามถึงครูบาอาจารย์ว่าท่า น, ท, านท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้พอดีมันมีสองปัจจัย สี่ซองมาจากพังงาของท่า น, นก็เลยเอาซองเนี่ยเก็บเอาไว้กาว่าเจอตัวท่านก็จะถวายให้แต่ว่าไม่ได้เจอสักทกีประมาณอาทิตย์ก ว, ว่าแล้วก็เลยฝากกับแม่ชีอูดท่านบอกว่าหลวงพ่อมาที่ภูเขาทองแล้วก็จะกลับไปที่ภูหลงก็กลับไปรู้ถึงท่านอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถึงท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะพวกเราเมื่อท่านเป็นครูอาจารย์ของเราแล้วก็ ทั้งต่อนหน้าและรับหลังเราก็เจริญสติรู้สึกตัวเพอมาทีถ้าหากว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ใครๆก็อยู่ข้างๆเราไม่ลึกนึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็ไม่น้อม้ามาปฏิบัติเราก็จะประมาท ก, กันไปอย่างเงี้ยนะยิ่งอยู่ที่นเราอิสระให้ทำกันเต็มที่คิดพูดทำอะไรก็ตามเห็นว่าเป็นเรื่องการเติมเต็มก็ทำไปอย่างเงี้ยนะเราก็จึงพยายามที่จะฝึกความรู้ตัวกัน ตลอดเวลาเวลาไม่ขนาดนี้ก็ตามเนี่ยนะเรเห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลานะเจตนาที่พูดก็คือพยายามให้เราได้เหมือนกับว่าเห็นความสําคัญนะของการเจริญสติส่วนท่านจะเจริญสติในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมมันก็สุดแล้วแต่สภาพธรรมที่มันจะพาไปก็ขอให้ความเป็นวัดดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การประพฤติพระจจันทร์ของเราทั้งหลายนั้นจะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ เลยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเทิน